ส6ิหชักคติทายกะวรกหมวดว่าด้วยพระชากคติทายกะเป็นต้นหนึ่งชักคติทายกะเทราประทานประวัตินิตชาตของพระชักคติทายกะเทระพระชักคติทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัตินิตชาตของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี ได้ให้สร้างแท่นบูชาไว้ที่ควงไมโพซึ่งเป็นต้นไม้ที่ประเสริฐของพระมุนีพระนามว่าธรรมทัศ ส, สีเข้าพระเจ้าพระตกเหวก็ดีภูเขาก็ดีต้นไม้ก็ดีย่อมได้ที่รองรับนี้เป็นผลแห่งการสร้างแท่นบูชาโจรไม่เบียดเบียนเข้าพระเจ้ากระยัก็ไม่ดูหมิ่นเข้าพรเจ้าเข้าพระเจ้ารอดพ้นจากศัตรูทุกจำพวกนี้เป็นผลแห่งการสร้างแท่นบูชา ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามข้าพเจ้าย่อมเป็นผู้ที่เขาบูชาในที่ทุกสถานนี้เป็นผลแห่งการสร้างแท่นบูชานีนกลับที่หนึ่งพันแปดร้อยนับจากกลับนิปายข้าพเจ้าได้ให้สร้างแท่นบูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการสร้างแท่นบูชาขี้เละทั้งหลายข้าพเจ้าเคาเผาได้แล้ว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 กุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปและอภิญยาหกข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วดังนี้แหละเรทราบว่าท่านพระชกคติทายกะเทระเร่ยพาสิทธิคาาเหล่านี้ด้วยประการชน้ชกคติทายกะเทราประธานที่หนึ่งจบสอง โมระหัตยาเถราประทานประวัติเนดิชาติของพระโมระหัตยเาเถระพระโมระหัตยาเถระเรมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพเจ้าถือพัดหางนกยูงเข้าเฝ้าพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายพัดหางนกยูงด้วยพัดหางนกยูงนี้และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น ไฟสามกองของข้าพเจ้าดับสนิทแล้วข้าพเจ้าจึงได้ความสุขอันไพ่บูนเพระพระพุทธเจ้าช่างน่าอัศจรรย์พระธรรมช่างน่าอัศจรรย์การที่ข้าพเจ้าประจวบกับพระศาสดาช่างน่าอัศจรรย์เพราะถวายพระถางลุกยุงข้าพเจ้าจึงได้สุขอันไพ่บูนไฟสามกองของข้าพเจ้าดับสนิทแล้วภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วอาจวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ว บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกเนกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพรเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพัทางนุกยูงกิเลทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพรเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาจะวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระโมระหัตยาเถระได้พาสิทธิปถาเหล่านี้ด้วยประคารชนิโมระหัตยาเถราประทานที่สองจบสสีหาชนะพีชยะเถราประทานประวัติในดิจา่าของพระสีหาชนะพีชยะเถระ พระสีหาสนะพีชยาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ไหว้ต้นโพของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าติสสะได้ถือพัดวีชนีมาถวายงานพัดพระแท่นสีหาดในที่นั้นเนกลับที่เก้าสบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายงานพัดพระแท่นสรีหาดไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายงานพัด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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสีหาสนทรพิชยเถระได้พาสิกคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิสีหาสนทรพิชยเถราประธานที่สามจบสี่ ติณุกะทาริยเทราปรทานประวัตินิจจิชาของพระติณุกะทาริยะเทระพระติณุกะทาริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในิจชาชาของตนจึงกล่าวว่าพระพระเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถือคบเพลิงสามดวงบูชาเที่ใกล้ต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะ ในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพรเจ้าได้ถือคบเพลิงบูชาจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายคบเพลิงกิเลสทั้งหลายเขาพรเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพรเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพรเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าท่านพระตินุกะทาริยะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉน้ตินุกะทาริยะเทราประทานที่สี่จบหาอัคกามณทายกเถราประทานประวัติในดิจชาติของพระอกักะมณทายกเถระพระอกักามณทายกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ถวายฉลองพระบาทแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะผู้ทรงเป็นนักปราดลอยบาปได้แล้วอยู่จบพรหมจันทร์ผู้ทรงดำเนินไปสู่ที่ประทับในเวลากลางวันในพัทระกลับนี้ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายฉลองพระบาทกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าพอเผาได้แล้ว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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลด้วยเราบว่าท่านพระอากรมณทายกเทระได้พาศิกธิฐานเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อกรมณทายกเทราประธานที่ห้าจบหก วณโกรันทิยะเทราประธานประวัติในเดจจ่าของพระวณโกรันทิยะเทระพระวณโกรันทิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าถือดอกอังกาป่ามาบูชาพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไป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 เป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามเข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเ จ, เจ้าเข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เคลปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเ จ, เจ้าเข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระวเนโกรันธยาเทระได้ภาสิษฐคาถาเหล่านี้ด้วยประกาละชนีวเนโกรันธยาเทราประธานที่หกจบเจเอกชาชัติยาเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระเอกชาชัติยาเทระพระเอกชาชัติยาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าแผ่นดินร้อนดังทานเพลิง แผ่นดินดูดเมเท้าเรืงไหลพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตร ะ, สะเสด็จจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งเขาพระเจ้ากั้นร่มขาวเดินทางไกลเพราะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กลางแจ้งนั้นเขาพระเจ้าจึงเกิดความคิดอย่างนี้ว่าผ้าพื้นปกคลุมด้วยพยับแดดแผ่นดินนี้จึงเป็นเหมือนฐานเพลิงพายุใหญ่ที่จะพัดร่างกายให้ลอยขึ้นก็ปรากฏ ความหนาวความร้อนย่อมทำให้ลำบากขอพระองค์โปรดรับร่มนี้ไว้เป็นเครื่องกั้นลมและแดดเถิดข้าพเจ้าจากได้สัมผัสพระนิพพานบ้างในครั้งนั้นพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงอนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณามีพระยศยิ่งใหญ่ทราบความดําริของข้าพเจ้าแล้วทรงรับไว้ ข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอดสามสิบกัปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิห้าร้อยชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูร์นับชาติไม่ท่วนข้าพเจ้าเสวยผลกรรมของตนที่ได้ทำไว้ดีแล้วในปางก่อนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าพบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่แม้ในวันนี้ชนทั้งหลายก็พากันกั้นร่มขาวให้ข้าพเจ้าตลอดการทุกเมือ่อ เงียกลับที่หนึ่งแสนนักจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายร่มไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายร่มกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผ า, าได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้ากระถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ท่าพระเอกราชติยะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนิเอากชาชติยะเทราประธานที่เจ็ดจ็ชาติปุพยเทราประธานประวัติในดิทชาตของพระชาติปุพยเทระพระชาติปุพยะเทร ะ, ร ะ, ะเระมื่อจะประกาประวัติในดิทชาตของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปทุมุตระ ผู้มีประยชน์ยิ่งใหญ่ปรินิพานแล้วเขาพเจ้าได้ถือพ้าอบซึ่งเต็มด้วยดอกไม้ไปบูชาพระจริระของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าทําจิตให้เลื่อมใสในการบูชานั้นแล้วได้เพืเกิดยังสวรรค์ชั้นนิมานนรดีเขาพเจ้าแม้จะอยู่ในเทวโลกก็ยังประพฤติกรรมดีอยู่ฝนดอกไม้ตกจากฟ้าฟ้าเพื่อเขาพเจ้าตลอดการทั้งปวง ข้าพเจ้าเกิดในมนุษย์โลกแล้วก็จะเป็นพระราชาผู้มีพระยศใหญ่ในอัตภาพนั้นฝนแห่งบุพชาติตกลงมาเพื่อข้าพเจ้าตลอดเวลาเพราะอนุภาพแห่งการใช้ดอกไม้บูชาพระชริระของพระพุทธเจ้าผู้สงเห็นเหตุทั้งปวงภพนี้เป็นภพสุดท้ายของข้าพเจ้าภพสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่แม้ในวันนี้ ผลดอกไม้เพวะยังตกเพื่อเข้าพเจ้าตลอดเวลาในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระศรีระกิเลสทั้งหลายเข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วเข้าไเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้เจ้าว่าท่านพระชาติปุพพิยะเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ชาติปุพพิยเทราประธานที่แปดจบ9ก้สติปัณญญาเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระสติปัญญาเทระพระสติปัญญาเทระ เมื่อจะประกาศประวัติเนดิชาของตนจึงกล่าวว่าเมื่อมหาชนกำลังช่วยกันนาพระศรีระของพระพุทธเจ้าไปเมื่อกลองบรรเลงอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ใช้ดอกมริซ้อนบูชาแล้วเรียกกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสรีระ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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเขาพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเ จ, เจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสั ต, ติปัญญะเถระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการะชนี้สัติปัญญาเถราประธานที่เก้าจบ คันธปูชกะเทราประทานประวัติเนดิชาตของพระคันธปูชกะเทระพระคันธปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนดิชาของตนจึงกล่าวว่าเมื่อมหาชนกำลังช่วยกันทรรมจิกรทานอยู่เมื่อพวกเขานำของหอมนาน า, นานชนิดมาข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ใช้ของหอมกมมือหนึ่งบูชาแล้ว เงีกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้บูชาจิต ก, กาธานไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาจิต ก, กาทานกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพระยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ท่านพระคันธปูชกะเทระได้พาสิบคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้คันธปูชกะเทราประทานที่สิบจบแชคติทายกะวักที่สี่สิบหกจบบริบูรณ์รวมอาประธานที่มีนิวักษ์นี้คือหนึ่งแชคติทายกะเทราประทานสองโมระหัติยะเทราประทาน สาสีหาชนะพีชยะเทราะทาน 4. ตินุปรารายะเทราะทาน 5. อัครมณทายกะเทราะทาน 6. วันโปรันทิยเทราะทาน7เอกาชะติยเทราะทาน 8. ชาติปุพพิยะเทราะทาน 9. สติปัญิยเทราะทาน10 คันทะปูชกะเทราประทานในวักนี้บัณฑิตนับคาถาได้หกสิบเจ็ดคาถาสี่สิบเจ็ดสาละกุสุมิยวะวักหมวดว่าด้วยพระสาละกุสุมิยะเป็นต้น หสาระปุสุมิยเถระประธานประวัติในดิตชาติของพระสาระปุสุมิยเถระพระสาระปุสุมิยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปทุมุตรปรินิพานแล้วเมื่อมหาชนกำลังช่วยกันยกพระสุริระของพระพุทธเจ้าขึ้นบนจิตราธาน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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสารปูสุมิยะเถระได้พาสัพท์คาเหล่านี้ด้วยประการศนี้สารกูสุมิยเะเถราประทานที่หนึ่งจบสองจิตตกะปูชกะเถระประธานประวัติในดิจฉาของพระจิตกะปูชกะเถระ พระจิตกะปูชะกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อเทวดาและมนุษย์พาคันถวายพระเพลิงพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกข้าพเจ้าได้ใช้ดอกจำปาแปดดอกบูชาจิกราทานใบกับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาจิกราทานไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลอย่างการบูชาพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายเข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพระเจ้าก็ถอนได้แล้วเข้าพระเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดูดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่เข้าพเจ้ามาในสานักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามเข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลาดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญาหกเขาพเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระจิตตะกะปูชกะเทระได้ภาสัจคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ จิตกะปูชกะเทราประทานที่สองจบสจิตกะนิพพาะกะเทราประทานประวัติในดิจฉาติของพระจิตกะนิพพาะกะเทระพระจิตกะนิพพาะกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันถวายพระเพลิงพระเริระของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภู ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เขาพระเจ้าได้นําเอาน้ําหอมมาดับจิตรคลาทานในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้น้ําหอมดับจิตรลาทานไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งน้ําหอมกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพระเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพระเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจิตกะนิพพากกะเทระได้พาสิทคิาเหล่านี้ด้วยประการศนิจิตกะนิพพากกะเทราประธานที่สามจบ4เซตุทายกะเทราประธานประวัติในดิจิชาติของพระเซตุทายกะเทระพระเซตุทายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ให้สร้างสะพานในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปสัสสีผู้เสด็จดำเนินอยู่เล่ากลับที่เกสบอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ให้สร้างสะพานถวายไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายสะพาน กิเลทั้งหลายเข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วเข้าพเจ้าตักกิเลเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุูพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลาดับคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว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 สุมาณตาลวันติยะเถราประธานประวัติในดิตชาติของพระสุมาณตาลวันติยะเถระพระสุมาณตาลวันติยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายพัดใบตาลที่ประดับด้วยดอกมะลิแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะแล้วถวายงานพัดพระพุทธองค์ผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ ในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายพัดใบตาลไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพัดใบตานกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผ า, าได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสะวะดุจพรยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าท่านพระสุมนณะตาละวันติยะเทระได้พาสิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนิสุมนณะตาลวันติยเทราประธานที่ห้าจบหกอวตภพริยะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระอวตภพิยะเทระพระอวตภพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่า พระปัจเจกพรพุทธเจ้าพระนามว่าสตารังสีเป็นพระสยามผู้ผู้มีบุญผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ผู้ทรงประสงค์วิเวกตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเสด็จออกโคจรบินทะบาทข้าพเจ้าถือผลไม้อยู่ได้เห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้องค์อาจกว่านรชนข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายผลไม้ เนี่ยกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพระเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพระเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพยาช้าแต่เครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ท่านพระอวตาภริยะเทระได้พาสืบคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศฉนิอวตาภริยะเทราประทานที่หจบเจและพุชะพละทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระและพุชะพลทายกะเทระพระและพุชะพละทายกะเทร ะ, ร ะ, ะ, ร ะ, ทะเระมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นชาวสวนอยู่ในกรงพันธุมดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเือกิเลศเสด็จชทะไปในอากาศข้าพเจ้าได้ถือเอาผลขนุนสํมปลอถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าผู้มีพระยดยิ่งใหญ่ประทับยืนอยู่ในอากาศนั่นเองทรงรับแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทำให้ข้าพเจ้าเกิดความปลื้มใจนำความสุขมาให้ในปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วได้ประสบปีติอันไพ่บู์เป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมในครั้งนั้นรัตนะเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าผู้เกิดในที่นั้นนั้นในกลับที่เก้าสิบอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลขนุนสำปลอกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว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 วิโมกแปดและอภินญาหกเขาพระเจ้าก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระละพุชะพละทายกะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ละพุชะพละทายกะเทราประทานที่เจ็ดจบ8ปดมีลกขูปพละทายกะเทราประทาน ประวัติในดิตชาติของพระมิลกุภะละทายกะเทระพระมิลกุภะละทายกะเถระเมื่อจะประกาประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัตสีผู้มีประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่ราวป่าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายผลใส่ ย, ย, ย้อยเนี่ยกลับที่หนึ่งพันแปดร้อนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลใส่ย้อยกิเลสทั้งปวงข้าพเจ้าก็เ ผ, า, ผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้ากระถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอานิสงส์ดูดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าท่านพระมีลขูพะละทายกะเทระได้พาสุดคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้มีลขูพะละทายกะเทราประธานที่แปดจบเสยามปฏิพาณิยะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระสยามปฏิพาณิยะเทระพระสยามปฏิพาณิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติ ในดิจิต่าของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้องค์อาจ ก, กว่านรชนผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพงามเหมือนดอกสร้างกลุ่มผู้เสด็จดำเนินอยู่ที่ถนนใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าผู้กําจัดความมืดมนให้พินาศทรงช่วยให้ชนจํานวนมากข้ามพ้นโทษช่วงอยู่ด้วยแสงสว่างเพลญานใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกกำลังเสด็จออกไปพร้อมกับพระขีนาศผู้ได้วสีจำนวนหนึ่งหมือนรูปผู้ทรงช่วยสัตว์จำนวนมากให้ข้ามพ้นจากเปื่อต่มคือกรามใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าผู้ย่ากลองคือพระธรรมย่มยีหมู่ดีรทีทรงบรรลือศีหหนาะาใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส เทพทั้งหลายพร้อมทั้งพรหมทุกหมู่เหล่าพากันมาจากพรหมโลกแล้วทูลถามปัญหาที่ลึกซึ้งกับพระพุทธเจ้าใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาพากันมาประนมมือแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดย่อมได้เสวยบุญด้วยการทําอัญเชิญความนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส ชนทั้งปวงมาประชุมห่อมล้อมพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุพระองค์ได้รับนิมนต์เพื่อต่อปัญหาแต่ไม่ทรงวันไหวใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสเมื่อพระพุทธเจ้าผู้องค์อากรวานรชนพระองค์ใดเสด็จเข้าพระนครกลองจํานวนมากประคมกึกก้องโฆษสารที่ตกมันก็พากันบันเลอพระพุทธเจ้าผู้องค์อากรวานรชนพระองค์นั้น ใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสเมื่อพระพุทธเจ้าผู้องค์อากวานรชนพระองค์ใดเสด็จดำเนินไปตามถนนพระราษมีย่อมสรงสว่างทุกเมื่อทั้งที่ลุ่มที่ดอนก็กลายเป็นที่สม่ำเสมอพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอยู่หมู่สัตว์ในจักรวาลได้ยินกันทั่ว พระองค์ทรงสามารถยังสัตว์โลกให้รู้ชัดได้ทั่วกันใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้สะดุดีพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการสะดุดีกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็าเผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพระเจ้าก็าถอนได้แล้ว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 ข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล่ได้ทราบว่าท่านพระสยามปฏิภาณิยะเทระได้พาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สยัมปฏิภาณิยะเทราประทานที่เก้าจบสิทิมิตรพยาการณิยะเทราประทาน ประวัติในดิตชาตของพระนิมิตพยาการนิยะเถระพระนิมิตพยาการนิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เข้าป่าหิมพานต์บอกมนอยสิทธิห้า4ม0 0ี่พันคนได้อุปถัมภ์ข้าพเจ้าสิทธิเหล่านั้นล้วนเป็นนักศึกษาจบไตรเพศถึงความสำเร็จในเวทางพศาสตร์หกสาขา พวกเขากระด้างพระวิชาของตนอยู่ในป่าหิมพานเทพบุตรผู้มียศยิ่งใหญ่เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วอุบัติในคันมารดาเมื่อพระสั ม, มาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นเหมือนจั ก, กรวาลก็หวั่นไหวคนตาบอด ก, กลับมองเห็นได้ในเมื่อพระผู้ทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแต่พื้นพสุธาทั้งสิ้นนี้ สันสะเทือนเพราะเหตุหกประการมหาชนได้สดับเสียงปึกก้องแล้วพากันหวาดผวาชนทั้งปวงประชุมกันแล้วได้พากันมายังสำนักของข้าพเจ้าถามว่าพื้นพระสุธานี้สั่นสะเทือนจกมีผลเป็นอย่างไรครั้งนั้นข้าพเจ้าได้พยากรณ์แก่พวกเขาว่าอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายไม่มีภัยขอท่านทั้งหลายแม้ทุกคนจงเบาใจเถิด ความอุบัติขึ้นนี้ประกอบด้วยประโยชน์สุขพื้นพระสุทาถูกเหตุแปบประการกระทบแล้วย่อมสันสะเทือนนิมิตย่อมปรากฏโดยอาการเช่นเดียวกันโอภาสก็ภัยบูญยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้มีพระจักสุจากเสด็จอุบัติขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยข้าพเจ้าทำให้ชุมนุมชนเข้าใจดีแล้วได้บอกเบญจศิลป์พวกเขาได้สดับเบญจศิล์ และการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าที่ได้โดยยากจึงเกิดปิติซาบซ่านมีใจยินดีพากันยินดีร่าเริงเนขับที่เก้าสิบสองนับจากลกับนี้ไปข้าพเจ้าได้พยากรณ์นิมิตไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการพยากรณ์กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้ว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 คำสัง่งสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเขาพระเจ้าพระได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระนิมิตะพยาการณียเถระได้พาเสิ็จผาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้นิมิตะพยาการณียเถราประทานที่สิบจบสาละกุสุมิยะวัคที่สี่สิเจ็ดจบบริบูรณ์รวมอัปทานที่มีในวัคนี้คือ หสาระปุสโมิยเทราประทาน 2. จิตกะปูชกะเทราประทาน 3. จิตกะนิพพากะเทราประทาน 4. เสตุทายกะเทราประทาน 5. สุมาณตาลวันติยะเทราประทาน 6. อวตภริยะเทราประทาน 7. จ็ะลพูชะภะละทายกะเทราประทาน แมิลขูภะละทายกะเทราประทานเก้าสยามปฏิพานิยะเทราประทานสิบนิมิตะพยาการณิยะเทราประทานในวักนี้บัณฑิตนับคาถาได้เจ็ดสิบสองคาถา